เรื่องที่สามพุทธศาสนาอย่างเส้นไม่มีผู้หญิงได้ยินเขาถกเรื่องกล้วยบวชชีกันหนาหูคงมีใครอยากทราบว่าการบวชของสตรีในพุทธศาสนา ตามทัศนะของเซนนั้นว่าอย่างไรข้าพเจ้าก็จะยังไม่ชี้แน่นอนลงไปว่าควรจะอย่างไรขอให้พึงฟังประวัติจริงของนางงามคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสมัยที่แล้วมาเสียก่อนแล้วค่อยช่วยกันพินิจ ด, ดู มีสาวน้อยไว้สิบเจ็คนหนึ่งเกิดในปีพุทธศักราช2340ในตระกูลของนักรบผู้ใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นด้วยว่าประเทศญี่ปุ่นขณะนั้นมีการประกวดนางงามกันหรืออย่างไรไม่ทราบประวัติไม่ได้กล่าวไว้แต่เรื่องเริ่มเล่าว่าสาวน้อยโยเนนผู้นี้ ได้เป็นเทพีแห่งความงามอยู่ในสมัยนั้นแล้วตามคติของญี่ปุ่นนั้นเขาถือว่าชาติญี่ปุ่นเป็นมนุษย์เผ่าแรกในโลกและเหมาเอาเกาะนับพันของญี่ปุ่นนั้นว่าเป็นโลกทั้งหมดจึงเรียกกษัตริย์ของตนว่าพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองโลกฉะนั้น ถ้ามีการประกวดความงามของสตรีเขาก็คงเรียกยอดพาทูของเขาว่านางสาวโลกกระมังใช่ว่าจะได้รับการเชิดชูยกย่องในความงามชั้นพิเศษแต่อย่างเดียวก็หาไม่เนื่องจากเธอกําเนิดในตระกูลสูงนั่นเองสาวงามอยู่เนนยังได้รับการศึกษาอักษรสมัย สามารถแสดงอัจฉริยภาพทางเขียนฉันและกาบได้เป็นอย่างสูงเยี่ยมอีกด้วยจนถึงพระราชินีแห่งพระเจ้าจั ก, กรพัฒนทรงโปรดปรานรับสั่งเรียกตัวเข้าถวายงานรับตำแหน่งเลดี้อันสูงสัก์ในพระราชวังได้รับความรักความเอ็นดูเหลือล้นพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งตระกูล จึงมีหน้ามีตาเพิ่มเป็นทวีคูณทีเดียวแต่แล้วเรื่องของมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเองกล่าวคือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันไว้ก่อนก็บังเกิดขึ้นและบังเกิดแล้วนั่นคือต่อจากนั้นไม่สู้นานพระเจ้าจาั ก, กรพรรดินีองค์ผู้โปรดปรานเธอ เป็นที่ยิ่งนั้นได้สิ้นพระชนลงอย่างกระทันหันสาวน้อยได้รับใช้ใกล้ชิดตลอดเวลาจนสิ้นหลมปราพร้อมกันนั้นอนาคตอันจอจเจิดจ้าแจมจรัสในชีวิตชาววังของเธอก็ดับวูบลงเจ้าหล่อนแม้จะล่วงการผ่านไว้มาไม่กี่ปีก็พลันพบเข้ากับเหตุการณ์หนัก ให้รสชาติแก่ชีวิตน้อยๆของเธอได้อย่างวูบว่ารวดเร็วเธอได้พบฉากชีวิตจริงที่มีอะไรขอดเป็นปัญหาจนทนไม่ได้ที่จะไม่หาทางไขสู่ความกระจา่างเธอชงมนใจยิ่งนักว่าโลกนี้มันอะไรกันเอนี่มันอะไรกัน คนเรานั้นตามธรรมดาไม่ว่าหญิงหรือชายจะอายุเท่าไรไม่สาคัญพอเกิดความรู้สึกเป็นปัญหาขึ้นถึงขีดหนึ่งที่วิถีชีวิตชักนำให้มาผ่านพบทุกคนย่อมทนไม่ได้ที่จะไม่วิ่งเข้าหาเครื่องขจัดความคลุมเครือกล่าวคือทางธรรม สาวน้อยโยเนนของเราก็เป็นเช่นนั้นลอนเริ่มสนใจอยากจะทราบว่าพุทธศาสนามีว่าไวอย่างไรในเรื่องนี้ประกอบกับเธอเป็นนักวรรณคดีได้อ่านได้รู้อะไรได้อย่างลึกซึ้งตามความอ่อนไหวของวิญญาณ น, นักกวีเธอจึงเป็นเอามากถึงกับจะออกโบสเพื่อศึกษาพระธรรมอย่างใกล้ชิด ทางญาติพี่น้องจึงเอะอาขึ้นไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาดเป็นไม่ยอมก็ใครเล่าจะเข้าไปรู้ถึงส่วนลึกในใจเธอเรื่องจึงเกิดอนละเวงกันใหญ่โตทางฝ่ายสาวน้อยก็พยายามให้เหตุผลทุกอย่างทุกทางเพื่อจะได้บูชาความอยากรู้ในเรื่องใหญ่หลวงนี้ ทางญาติผู้ใหญ่ก็จะยอมให้ไปบวชไม่ได้แน่ๆต่างฝ่ายต่างดึงกันตึงเครียดเพราะมองกันไปคนละทางไม่มีฝ่ายใดลดย่อนให้กันแม้แต่น้อยทางสาวโยเนเ่งใช้ไม้ตายถึงกับจะหนีศพช่องเมื่อไรเป็นหนีทางบ้านจึงรีบหาได้ชายสูงสักเพื่อจัดเตรียมให้มีการแต่งงาน ให้รู้แล้วรู้รอดไปเสียฝ่ายหญิงสาวเธอก็ยิ่งไม่ยอมใหญ่เหตุการณ์เลยยุ่งขิยงยากเย็นเป็นทัพทวีค่าราคาสั่งกันอยู่นานผลสุดท้ายจึงมีข้อต่อรองย่อนเข้าหากันมีสัญญากันว่าสาวงามโยเนนจะยอมแต่งงานแต่หากให้กำเนิดบุตรคนแรก ไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายเธอจะขอออกบวชทางพ่อแม่ก็ยังยอมไม่ได้ยกเอาประเพณีของญี่ปุ่นที่เชียบขาดเคร่งครัดมาลบล้างว่าหญิงต้องมีบุตรสามคนจึงจะชื่อว่าเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงที่สมบูรณ์เธอจึงจำหนนต่อระเบียบประเพณีจำใจให้เข้าพิธีแต่งงาน เธอแลกเอาสัญญาว่าจะยอมให้ออกบวชก่อนที่อายุเธอจะครบ25ปีเธอก็หลุดจากข้อผูกพันออกบวชได้ตามสัญญาสามีและพ่อแม่พี่ป้าน้าอาจะฉุดเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปเมื่อได้รับอิสระแล้วก็โกนหัวบังเพนชีวิต เป็นอนาคาริกออกเที่ยวศึกษาปฏิบัติไปตามวัดต่างว่าทิ้งทินบ้านเดิมไกลห่างญาติพี่น้องออกไปออกไปแม่ชีสาวโยเนนได้เที่ยวสแสวงหาโมกขธรรมไปหลายแห่งต่อหลายแห่งทุกๆุกแห่งเธอพบว่าสำนักต่างๆนั้นทำไมถึงขอเข้ารับการศึกษา ไม่ง่ายเหมือนที่คิดไว้สำนักแล้วสำนักเล่าที่เธอขอเข้าเป็นศิษย์เพื่อศึกษาปฏิบัติมักเหมือนเฉยไม่ใส่ใจใยดีจะยอมให้อยู่ก็ไม่ว่าจะไม่ให้อยู่ก็ไม่ว่าแต่เธอสังเกตว่ามีการแสดงไม่ยินดีต้อนรับอยู่ให้ทีเรื่องนี้จึงนับว่าเธอ ได้มาพบเข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในชีวิตทางศาสนาของเธออีกทีแรกแม่ชีภูนาสงสารก็ยังค้นสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจนกระทั่งเธอร้อนแรมล่วงเข้าเขตมณฑลอีโดไปขอเข้าพักรับการศึกษากับอาจารย์องค์หนึ่ง จึงได้สหาบสาเหตุแท้จริงเพราะไปเจออาจารย์พูดขวานผาา่าซากชื่ออาจารย์เทสยุยุอาจารย์องค์นี้เพียงเหลือเพ้นเธอคลานเข้ามาแสดงความจำนงเท่านั้นก็ตอบปฏิเสธโรงไปทันทีว่าสำนักนี้รับเธอไว้ไม่ได้เพราะเธอยังสาวนักและสวยนัก จะไม่เป็นผลดีอะไรแก่คนอื่นส่วนใหญ่ในสำนักนี้แม่ชีสาวของเราจึงเกิดมาพบความจริงอีกด้านหนึ่งของความสวยงามทำให้เธอเกิดจะทดท้อว่าโลกนี้มันมีอะไรที่ยังเร้นอยู่ไม่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งหลายอีกมากนักโลกนี้ชีวิต ยังมีเงื่อนอะไรล้าอย่างแปลกแปลกใหม่ๆดูเอาเถอะโทษของความสวยความงามก็มีด้วยมันช่างมีอะไรชวนติดตามให้รู้เที่ยงแท้อีกมากเธอจึงสมสารต่อไปและต่อไปจนลุกถึงสำนักเซนวัดหนึ่งวัดนี้เป็นสำนักใหญ่ ลูกศิษย์ลูกหามากทั้งฝ่ายภิกษุและนางชีหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายเซนชื่อฮากุโอะพอย่างเยียบเข้าไปในวัดแม่ชีโยเนนก็ไม่แน่ใจเสียก่อนแล้วกลัวจะเป็นเหมือนสำนักต่างๆที่แล้วมาเธอจึงเลี่ยงไปขอพักทางฝ่ายแม่ชีสักคืนหนึ่งก่อน พรุ่งนี้คอยเข้ากราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสในใจก็นึกว่ามีหวังน้อยเต็มทีปรากฏว่าตลอดคืนนั้นเธอคิดอย่างหนักด้วยความระทมผสมกับความระทึกใจคิดถึงการพรุ่งนี้จะเข้าไปขออยู่พึ่งพิงคิดถึงการออกโบสของเธออันแสนจะโยกโยะอยากเย็นที่แล้วมาแต่หลัง เห็นจะมาควาน้ำเหลวเพียงมาติดขัดแค่ใบหน้าเท่านี้เองล่ะหรือเสร็จแล้วเธอก็นึกออกเธอได้ใช้เหล็กเผาไฟจนแดงนาไปตามใบหน้าเพื่อให้เป็นแผลเป็นลบความงามเสียสิน้นเธอจึงได้กลายเป็นผู้อัปปลักไปในฉับพันสมใจตัวแล้วก็โล่งใจ ที่ขจัดอุปสรรคชิ้นที่ตนหวงแหนนั้นเสียได้คืนนั้นแปลว่ามีความชื่นชมสุขใจไปตลอดคืนขณะนั้นความบันดาลใจเกิดเราอารมณ์กวีของเธอให้เขียนออกมาจากใจมาเป็นกาบได้อย่างไพเราะ แปลเป็นความว่าครั้งเราสนองพระโอษฐในพระบรมณ์มาจา ก, กรพัดิีนีณวังหลวงอยู่นั้นเรามีแต่เผากำยานและของหอมอบรัมพัทรพรเพื่อให้สวมใส่ผ่องผิวรมรื่นชื่นนาสาครั้นมาบัดนี้เล่า ตกอยู่ในที่ยากไร้ทั้งทรัพย์สินญาติพี่น้องและบ้านเรือนที่พักพิงเราได้เผาเหมือนกันแต่เผาผิวหน้าของตนเองเพื่อขอเข้าศึกษาในสำนักเซนพอรุ่งขึ้นวันใหม่ ถึงเวลาเธอเข้าไปกราบเท้าท่านหลวงพ่ออาจารย์ฮากูโอขอเข้าเป็นศิษย์ในสำนักเธอก็แทบไม่เชื่อหูของตนเองอีกครั้งหนึ่งเธอพบว่าได้คิดผิดอย่างใหญ่หลวงผิดครั้งนี้ไม่ใช่หลวงพ่อไม่อนุญาตให้อยู่แต่กล่าวคือได้มีการสอบถาม เมื่อหลวงพ่อเห็นใบหน้าถูกไฟลวกพุพองไปหมดดังนั้นถามไทยก็ได้ทราบต้นเหตุถึงกับมีการเผาหน้าตาให้เสียโฉมไปตลอดชาติเพราะไปโทษว่าเป็นด้วยเพศแห่งความสวยงามหลวงพ่ออาจารย์กล่าวว่าทงอย่างนั้นยังไม่ถูกเส้นแท้จริงนั้น ไม่มีความเป็นผู้หญิงผู้ชายความเป็นหญิงเป็นชายนั้นมีทีหลังจากการปฏิสนธิในคันมารดาแต่จิตแท้ๆนั้นมันก่อนการมาได้ชาติความเกิดนั่นเสียอีกความที่คิดไปว่าตนเป็นเพศนั้นเพศนี้นั้นยังเป็นมายาสัตว์ทั้งหลาย ถูกกักขังอยู่ด้วยเรื่องนี้ทันทีที่แม่ชีโยเนนรับฟังอยู่แล้วก็โพกระจ่างขึ้นโดยในยะเป็นอันมากบัดนี้เธอมิได้ชื่นชอบในความงามทั้งไม่ชอบชื่นในความที่ไม่มีความงามเธออยู่เหนือความที่ต้องเป็นคนมีเพศหญิง ซึ่งเคยทำให้เธอทุกข์ทรมานมาตลอดอายุไขไม่น้อยกว่า30สบปีบัดนี้เธอได้เป็นส่วนหนึ่งในสำนักเซนอันมีหลวงพ่อฮากูโอะประจำสั่งสอนศิษย์อยู่หลวงพ่อฮากูโอะเป็นอาจารย์ที่ดุปฏิบัติต่อศิษย์ไม่ว่าหญิงหรือชาย เหมือนอย่างเดียวกันหมดในเวลาปฏิบัติซาเซนคือนั่งกรรมาฐานเป็นแถวหันหลังเข้าฝาในศาลา ร, ารงมธรรท่านจะใช้วิธีใส่รองเท้ายาค่อยๆเดินตัวตราไปมาไม่ว่าใครถ้าท่านเห็นว่าควรปลูกธรรมชาติแท้ภายในย่อมหวดด้วยไม้เขียฐานยัางไม่ประนีประสาย ไม่มีการตึงเครียดกับคนเพศนั้นแล้วมาพนาอเอาอกเอาใจคนเพศนี้ความเป็นเช่นนี้แทนที่จะทำให้หาสิทธิ์อยู่ด้วยยากกลับเป็นที่ชมชอบบูชาใครๆก็นิยมกันมารับการฝึกจากท่านอาจารย์ข้อนี้ก็เป็นที่ถูกอัธยาศัยภาวนาของแม่ชีโยเนมเป็นที่ยิ่ง แม่ชีโยเนนอยู่กับสำนักอาจารย์เป็นเวลาสิบสามปีได้รับยกย่องให้เป็นผู้ช่วยเหลือนักปฏิบัติคนอื่นๆหลังจากนั้นมาในชีวิตบัรลายแม่ชีโยเนนได้ไปหลีกเร้นพักอยู่ตามภูเขาแขวงจังหวัดบันจูมีผู้สนใจไปขออาศัยอยู่ด้วย เธอจำต้องเป็นผู้นำแม่ชีด้วยกันจำนวนสองร้อยคนปกครองให้ความอบอุ่นทั่วถึงจนกระทั่งได้ดับขันเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยหกอดีตนางสาวโลกของเราได้เป็นแม่ชีแ ก, แก่ที่เต็มอยู่ด้วยสารทิขตลอดกาล ววิญญาณที่เคยเป็นกวีใกล้จะสิ้นลมเธอก็ยังได้เขียนคำร้อยกรองอันเพราะพริ้งทิ้งไว้เป็นโกอ่านให้คนทั้งหลายอันเป็นคำประพันธ์ทั้งลึกและไภเราะเป็นที่ยกย่องของพวกเซนมาจนกระทั่งบัดนี้ถอยคำนั้นมีใจความเป็นไทย ซึ่งฟังอาจจะไม่ลึกและไผ่ร้อว่าดังนี้ชากความเลื่อนไหลแห่งฤดูใบไม้ร่วงปีแล้วปีเล่าเวียนมาประจักษ์ต่อตาถึง66ครั้งแล้วตูก็ได้เพรียกรำถึงประพัสอนของแสงแห่งเดือนเพน มามากพอแล้วพวกเธออย่ามาซักถามอีกเลยเพียงให้เธอไปเฝ้าเงียฟังให้ได้ยินเสียงใบไผ่ใบสีดาเมื่อยามลมไม่มีพัดดูทีนิทานก็จก จากเรื่องราวที่เล่ามานี้เราท่านจะเห็นได้ว่าโลกเรานี้ไม่มีอะไรที่ชายทาได้แล้วจะห้ามไม่ให้ผู้หญิงพยายามให้ได้เหมือนเช่นนั้นบ้างยิ่งเรื่องที่มาเกี่ยวกับทุกๆุกคนตรงกันหมดเช่นความทุกข์ในชีวิตนี้แล้วความเป็นหญิงเป็นชายยิ่งมิได้เป็นเหตุ ทำให้เกิดความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเลยขอแต่ว่าแต่ละคนควรจะรู้จักตัวของตัวเองให้ดีว่าแค่ไหนเท่าไรสำหรับตนจะไปเอาอย่างทำตามตามกันด้วยล้ำพังแรงศรัทธาในศาสนานั้นไม่ได้อาจไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมก็เป็นได้ พูดอีกทีก็คือจะไปเอาอย่างสาวงามอยู่เนนในเรื่องนี้ทุกคนไม่ได้หรอกขอให้วิเคราะห์ดูเถอเธอไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นเองแล้วคิดหาเหตุผลเข้ากับตัวเองหรือเธอไม่ใช่ต้องการจะประชดตัวเองหรือใครแล้วหนีออกบวชโลกธรรมและเหตุการณ์ในชีวิตของเธอ ที่ล้อมเธออยู่นั้นตังหากที่เตือนเธอและทํากับเธอซึ่งอยู่ในวัยที่ยังอ่อนยังเยาเลื้อเกินอายุไม่เท่าไรก็ได้พบได้ผ่านเสียทุกอย่างนับแต่ได้สูงแทบจะเหินร่าบนชั้นฟ้าแล้วกลับตกวูบว่างมาอยู่ในฐานะยาจกอัปปะละซ้ำในระหว่างนั้น ก็มีละลอกกระแทกกระทันทีเหมือนคลื่นซัดไม่ลดละซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของเธอหรือเป็นความจงใจของใครเลยแต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรที่สำคัญเกินไปกว่าที่เธอมีข้อใดเปรียบได้เปรียบตรงที่เธอเป็นคนคิดเป็น ทุนข้อนี้แหละถ้าไม่มีอยู่แล้วต่อให้ลีลาชีวิตพันผวนอย่างไรเธอก็คงจะเหมือนผู้หญิงอื่นส่วนมากคือคิดหนักเหมือนกันแต่คิดพันตัวเลยพ่ายแพ้ดูเอาเถอทันทั้งหลายหากเป็นคนอื่นที่ไม่ประสาต่อโลก ทั้งยังเป็นคนด้อยทางวุฒิความคิดเขาจะกระเสือกกระสนเหมือนปลาหมอตะเกียกตะกายจนเกล็ดแห้งเช่นแม่ชีโยเนนนี้ล่ะหรือต่อให้มีชีวิตคนละสิบก็ยังไม่พอที่เขาจะคิดฆ่าตัวตายไปจนหมดทั้งสิบโลกเรานี้มันมีคนอยู่ประเภทหนึ่งจริงๆ ที่กระทบเรื่องร้ายก็พายต่อชีวิตลีนาจากความยุ่งยากด้วยการฆ่าตัวตายหารู้ไม่ว่านั่นในทางธรรมะเขาถือว่าเป็นฉากชีวิตที่มันเรียงหน้ากันเข้ามาลวงเอาคนของเราแต่ละคนแต่ละคนนั้นต่างหากมันขึ้นอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้น ที่จะได้ใช้ฉากชีวิตที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์เพื่อคุณเรื่องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นหากใครไม่สนใจธรรมะก็จนใจสุดที่จะช่วยได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแก่ชีวิตแทนที่มันจะมาผลักดันให้เลื่อนชั้นตัวเอง คนพวกนี้กลับจัดตันไม่เห็นหนทางถ้าจะให้คิดก็ต้องคิดผิดพระพุทธเจา้าจัดคนประเภทแม่ชีโยเนนนี้ว่าเป็นชาติม้าอาชาไนกล่าวคือเพียงชำเลืองเห็นแค่เงาที่เขาเงื้อแส้ขึ้นเท่านั้น ก็รู้ว่าควรจะทำอย่างไรแค่ไหนเสียแล้วฉะนั้นพอเธอชนเข้ากับปัญหาเงื่อนแรกโดยบังเอิญเธอก็มีเรื่องที่จะปรารพเพื่อเริ่มขุดคุยสาวสืบไปยังต้นตอของจริงเหมือนบุคคลเลิกเสือขึ้นเพื่อค้นหาอะไรอย่างตื่นใจแปลกตาต่อโลกทั้งมวลที่ตนเผชิญอยู่ เธอออกวดเป็นแม่ชีจึงไม่ใช่มีสาเหตุของอาการโรคจิตความสำนึกส่วนลึกก็ไม่มีอะไรสับสนลวงตัวเองอยู่เลยตรงกันข้ามเมื่อคว้าได้เงินอันแรกแล้วเลยทำให้เหตุการณ์ที่ขับขันหรือข้อผิดพลาดฉากต่อต่อมากลายมาเป็นแบบเรียนเร็ว ให้แก่เธอไปจนหมดสิน้นนับว่าชีวิตเธอเป็นชีวิตที่ควรยกขึ้นเป็นตัวอย่างของกุลสตรีที่มีหลักเกณฑ์บูชาความคิดขอให้แน่ใจสักข้อหนึ่งว่าพระอริยเจ้าในพุทธศาสนาของเรานี้มิใช่เป็นบุคคลที่อ่อนความคิด หรือไม่ต้องรู้จักอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์เหตุผลของธรรมดาโลกเอากันว่าท่านแม้ไม่เปลืองปราดอย่างปัญญาโลกแต่ก็ต้องไม่ถึงกับเป็นคนตายด้านต่อโลกไม่นิยมความรอบรู้ทันบ้านทันเมืองเขาจนกระทั่งเดินไปตามถนนก็ทะเลอทะล่าให้รถชนโดยที่นึกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น อย่างนี้ก็หาไม่ท่านยังต้องเป็นผู้รู้แจ้งโลกอยู่ตามขั้นตามภูมิตามที่ตนได้กระทาผ่านแบบฝึกหัดมาแล้วยามจะเห็นได้ในกรณีของแม่ชีโยเนนนี้แม่จะมีวิถีชีวิตสุดสายได้ฉับพลันในเวลาเพียงอายุไม่เท่าไร แต่เธอต้องตายจากเหตุการณ์ในชีวิตมามากและครบท้วนยิ่งกว่านั้นก็ยังต้องอาศัยอาจารย์ต่ออีกถึงสิบสามปีฉะนั้นในสมัยนี้หากจะมีใครหวังจะเร่งด่วนลัดตรงในทางปฏิบัติรรอย่างไรโดยขอข้ามไม่ต้องรู้โลกมาเป็นลำดับย่อมเป็นไปไม่ได้ เรื่องที่จะมาอ้างว่าได้เข้าปฏิบัติหลับตาเท่านั้นเท่านี้วันแล้วก็เสร็จกิบอย่างนี้จะไม่มีในพุทธศาสนาเพราะเรื่องชีวิตจริงนี้ไม่ใช่เที่ยวทำอะไรให้คร บ, ครบในเวลาเท่านั้นเท่านี้ชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่ต้องเพียรทำไปเป็นหลักสูตรระยะยาว ไม่ต้องไปจำกัดว่าสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเพราะทุกระยะจนกว่าจะตายสิ้นสุดร่างอันนี้ก็ให้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นผาสุขด้วยเพื่อความรู้รอบเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็เท่านั้นเองโลกนี้สาธุชนทุกคนต้องเป็นอยู่ด้วยปัญญา และต้องทำกับมันอย่างใจเย็นทุกสิ่งกว่าจะสิ้นจะสุดกันได้ต้องกินเวลาต้องอาศัยการอายุสำหรับสังเกตสังกาศึกษาถ้าเป็นไปตามหลักตายตัวเช่นนี้แล้วพวกเราก็ไม่ควรจะมีคนอยากเป็นอาจารย์ทั้งที่ตนก็ยังอ่อนต่อโลก ยังถูกลวงด้วยความคิดของตนจนประมาณตัวผิดด้วยประการชนีย